เราก็นั่งตั้งความรู้สึกตัวกันยามเช้าหลังทําวัดชาวนี้ก็เป็นเช้า ว, วันใหม่ล่ะที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่วันในโลกนี้จํำนวนมากตอนนี้กำลังทุกข์อยู่นอนหลับไปฝันไปบางคนก็ยังไม่ได้นอนหลับหรอกเที่ยวมาทั้งคืน บางคนก็กำลังเผชิญกับมะจุดราชยาเช้าเงี้จะเป็นเวลาตายของคนป่วยมาวานก็คงจะสั่งเสียกันเป็นเทียนบูบสุดท้ายคืนนี้ญาติไว่วางใจนอนหลับอย่างสบายคนไข้ก็ตายของเราโชคดียังได้มีโอกาสทำบัตรสนมนกัน มีลมหายใจสายายมลเอาสิ่งที่เราไม่เคยรู้เข้ามาได้ยินได้ฟังในเสวดสอนตัวเองมันเป็นคาสอนในศาสนามงคล38มสเสวนาจะพาละนังการไม่ครบคนพานปันทิจานันจะเสวนาการครบบัณฑิต ชีวิตของเรามันมีตัวรู้กับตัวหลงตัวหลงเป็นคนผ่านนะตัวรู้มเป็นบัณฑิตนะรู้แล้วรู้ถูกรู้แล้วเป็นปัญญารู้แล้วเกิดบา ร, รมีรู้แล้วเกิดการผ่านอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราผ่านทุกเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกผ่านเก้าร่วงได้ การที่เราจะมีตัวรู้ตัวสติตัวปัญญาเราก็ฝึกหัดมันดนวัสติะัาน์ใจการเคลื่อนการไหวนะัะโปรูกลงไปใช้กายเป็นพื้นที่นะปโปรูกลงไปเมือนจะเป็นลากษณะของความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณปโปลูกไว้ในฐานกายเป็นการปลูกถูกที่ปลูกไว้ถูกที่ ปูกไว้ถูกที่คือมันมีหลักมีหลักทําให้จิตใจของเรานะมันเลิกพยศมันถูกฝึกถูกหัดที่มันเคยกล้าแข็งเคยพยศจนเบียดเบียนตัเวเองเบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเพราะความหลงจิตใจที่มันหลงเรียกว่าความไม่รู้วอวิชชาด้วยเนะี่ยมันทําให้เกิดการรู้แล้วก็ เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองก็เกิดทุกข์เบียดเบียนผู้อื่นก็เกิดทุกข์เน่ยเาบางทีก็รู้เรู้ตัวทีก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีก็เจตนาทำลงไปจเป็นกรรมเจตนาคิดพูดทาเป็นทุกข์เป็นบาปมันก็เป็นอกุศลธรรมมันก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปจากยาบ ไปหาละเอียดกลายเป็นนิสัยกไม่ใส่แล้วก็สันดาลนั่นแหละมันก็ฝังลึกลงไปแล้วก็ทุกแล้วทุกอีกเพราะว่าวิบากกรรมมันก็ส่งผลอยู่เสมอเหมือนกับล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าเกวียนฉันนั้นหรือว่าเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเอาวิปัสสนารูนั้นนะเดือดเนื้อร้อนใจต้องคอยสะดุ้งคอยหวาดผวา คอยเสียวสันหลังเหมือนกับเราเดินผ่านประตูสุญญาตามาที่นี้จะมีปริศนาธรรมอยู่หลายจุดทีเดียวเป็นปิศนาธรรมเกิดจากคำพูดของหลวงพอ่อคุบาอาจารย์หลวงพ่อเขียนเนี่ยควรฟังเก็บเอามาคบคิดแยกแยะสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่นี่จะปเป็นนามธรรมไม่ได้ประโยชน์ สร้างเป็รูปธรามให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปเราสังเกตจะมีประตูหินปลอมต้นไทรปลอมมันอยู่ข้างหน้าอันนั้นเป็นประตูสุญญตาหมายถึงกว้างว่างจากความหมายของความเป็นตัวตนก่อนหน้ามามันมีตัวมีตนพอเดินผ่านประตูเข้ามาในนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเคยกรอดก็ไม่โกรอดอยนีเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์ เคยมีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาสุญญตาจะไม่มีปัญหาก็ต้องไม่มีตัวตนเข้าไปรับในอารมณ์ต่างๆในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกระกายกระใจรวัธรรมนำมาธรำกันน่าวนะสุญญตามาเดินผ่านมานิดหนึ่งข้างข้างขวามือมันจะเป็นสลาไตลักษ์ สลานั้นตั้งชื่อกันมาก็ได้เหตุที่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งจะมาเกิดดับอยู่นั้นะคนมาแล้วก็ไปคนทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์มากมายเลือเกินจริตนิสัยก็แสดงออกบางคนมาเอาผ้าห่มมเมากุญแจก็มาด้วยความโกรธโกรธบางคนก็มาด้วยความผิดหวังนหลังจากที่มาแล้วก็เออกลับไปหายป่วยจากโรคก็ว่าได้ แรือบางคนก็ตุเราบาบางลงไปแต่บางคนก็ป่วยหนักกลับไปอีกก็เลยมามืดไปมืดมาสว่างไปมื่อดบางคนก็มาสว่างไปสว่างนะมาก็สว่างอแล้วมีสัททายแล้วเกิดปัญญากลับไปเกิดสติเกิดสมาธิเกิดความกระยันอะไรพวกนั้นกลายเป็นความเข้มแข็งออกไ ป, ไปเผชิญโลกใหม่ไม่ยียละแล้วก็กลายเป็นเรื่องของ ใช้กิมชีวิตมนุษย์อย่างมีกำไรชีวิตเรียว่ามีความสุขในโลกใบ น, นี้ได้มีมนุษย์สมบัติเน้นท่ามาแต่ว่าอะไรเฉินเฉิมาแว่าอะไรแต่ก่อนมาเมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อไว้สลาแต่ลัก เ, เกิดดับเกิดดับมันอยู่ตรงนั้นแล้วนะส า, ามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมามาไปไปบางคนก็ตกค้างยังอยู่อย่างนี้นะสลาแต่ลักเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งจะเจอ คนขี่เสือคนขี่เสือสังเกต ด, ดูคนก็นั่งอยู่หลังเสือสบายๆไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีเชือกคอยบังคับไม่ได้มีแส้ไม่ได้มีอะไรตรงนั้นนั่งแบบผ่อนคลายสบายใจคนที่นั่งหลังเสือก็หมายถึงสติสติที่มันนั่งอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยมันอยู่นืกิเลส ไอ้ที่ว่ากิเลสกิเลสเป็นทุกข์เนี่ยก็กลายเป็นปัญญามาแล้วเป็นปัญญามันก็พาเดินทางไปไหนมาไหนหนาเกงขามมีความยำเกงนีก็หมายถึงเสือเพราะฉะนั้นกิเลสเหมือนเสือขี่ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ยิ่งแล้วถ้ามีปัญญานะปราณประเดชเนี่ พระคุณก็ใช้ด้วยปัญญาพระเดดก็ใช้ด้วยสติพระดดการบอกการสอนการชี้การนำดูดาว่ากล่าวกันนะมันเป็นพระเดดเตโชคือไฟร้อนทีเดียวแต่ามันทำให้สุขได้บริโภคได้ทำให้หมดพิษหมดภัยหมดพย์ได้ต่อมาก็คือเดินมาอีกนิดนึงนกอินทรี น้องอินทรีย์มันจะมีมแมลงอยู่นะจริงๆแล้วจะงอยปากเนะี่ยจะมีมแมลงอยู่แต่คนไม่รู้เห็นเป็นก้อนอะไรดำๆก็เนีนะ่ยก็ส่วนใหญ่จะเขี่ยวไปเอาอยิ้งไปไม่รู้นะมันเป็นมแมลงเป็นตัวมแมลงก็เลือน้องอินทรีย์เฉยๆจริงๆอินทรีย์ฆ่าแมลงแมลงเปรียบเหมือนนิวรธรรมนิ่วัลธรรมน้องอินทรีย์นี่เปรียบเหมือนตัวสติน ความห่วงเหงาหาวนอนความรงเลสงสัยการพยาบาทความฟุ้งซ่านมันเป็นตัวนิบรธรรมเวลาปฏิบัติธรรมยังไงก็ต้องเจอเกินไหวรู้สึกเดินจงกรมไม่ว่าวิธีการไหนก็ตามที่มีอยู่ในโลกใบนี้ดูลมหายใจอาณาพปะติมก็ง่วงนั่นแนหะผู้ใหม่โดยเฉพาะผู้ใหม่แล้วผู้เก่าก็ตามที่ยังไม่ตื่น ยังรู้สึกตัวไม่เป็นไม่จานานมันจะต้องเจอนิวรธรรมหรือบางทีบางคนทําเป็นแล้วหนีวรลธรรมมันก็มาให้เราได้ฝึกหัดเข้มแข็งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเราประโยชน์จากนิวรลธรรมพอมีทุกข์มันจึงมีไม่ทุกข์นะพะมีโกรธเลยมีเมตตามีอภัยมันโตข้นข้ามีขาวมีดามีสว่างมีมืดมีกลางวันมีกลางคืน มีร้อนมีเย็นเพราะนั้นลาหษณะของสิ่งที่มันอยู่ตนแขมนะเราก็ได้สังเกตม า, าเป็นประโยชน์ทั้งหมดกุศลนกุศลพวกนี้บุบาทมาเป็นอาหารของสติให้มันเป็นปัญญารู้แล้วไม่ติดรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วปล่อยรู้ระววางนะเพราะนั้นนกอินทรีเหมือนสติอยู่ที่สูงตาแหลมคมบิมโฉบมาได้ ปินไปไหนก็นลัดสั้ น, นอินสียืความเป็นใหญ่พระอินนใหญ่ที่สุดเท้าสักกะเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหมดเดินมาอีน่นเจอช้างเห็นไหมเห็นช้างไหมถ้าเดินทางถานนมันหันก้นให้เรามันเดินหันหน้าเข้าไปทางโน้นหนองน้ำมันจะมีหมายอยู่สองตัวดักหน้าดักหลังอยู่หมาสวนั มันเห่าอยู่ช้างกเดินใช้มีอ้อยอยในงวงอะนะมีอ้อ ย, อยเดินเฉยช้ชางก็เปรียบเหมือนตัวสตินหะมหาเห่าช้างช้างไม่สะดุง้งไม่สะเทือนเป็นผลของผู้ที่ไปฏิบัตธรรมแล้วก็มีผลของการปฏิบัติจะไปอย่างนั้นก็ไดห้หวั่นไหวอะไรรู้แล้วนะในยินเสียงอยู่ทำถ้าทำ ท, า, ท, ำทางก็รู้อยู่แต่ว่าช้างก็เฉย เดินอย่างองอาจอาถรอ่างีอาา้อันนี้เป็นคาเทศของหลวงพ่อมาเขียนทั้งหมดนั่นะท่านเทเอาไว้เป็นปิิศนาธรรมสติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมา อ, อีกนิดนึงก็คือเกวียนเเกวียนไม่มีคนนั่งนะแต่ว่ามีวัวสองตัวหัวกลาเกวียนล้อหมุนไปเรื่อยมีรอยเท้าโคเดินไป เกวียนก็หมุนไปกระทิ้งรอยเอาไว้วิบากกรรมทําดีมันก็ดีทําชั่วมาชั่วทําดีไปนั้นอนิสงส์ส่งผลทําชั่วเกิดวิบากเกิดอวิปปิสารเดือดเนื้อร้อนใจมากมายเหลือเกินเราก็จะได้เห็นเวลาเราฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเวลามีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เราได้เห็นความคิดทิ่มสะทิ้งอาการแสดงร่องรอยนะ สำรองออกมาคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีมาแสดงออกมาให้เราได้เหมือนกับว่าเห็นตัวเองเห็นอาการของจิตที่มันมีอยู่ทุกคนเลยเกิดขึ้นมาแล้ก็มีจิตแล้วก็มีความคิดความคิดจะเป็นเงาของจิตคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำมาแสดงออกมา เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรม เ, เนี่ยการพูดน้อยๆเนี่ยได้ไประโยชน์ตรงนี้เองเวลามันคิดแล้วก็พูดเวลาคิดแล้วพูด้วเกิดอุศนขึ้นมาสี่ทางสี่เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากําพูดนะก็คือส่อเสียดหนึ่งนะคำหยาโกหกเพ้อเจอ้อพูดปล่อยพูดแพร่มันจะเกิดขึ้นมา นาำต้นทุ่งผบุงหลงแหลงนั้นมันจะเกิดขึ้นไว้หาสาระไม่ได้แต่ตะพูดแล้วได้เงินได้ทองพูดและได้ประโยชน์พูดแล้วก่อให้เกิดความสมัรสมานสามัคคีพูดให้เกิดความสงบพูดให้เกิดการผ่อนคลายมีสติสมาธิปัญญาก็พูดไปเถอะอันนี้เรียกว่าสนธนาธรรมแสดงธรรมต่างๆพูดแล้วเกิดมงคลแก่ชีวิตของเราตัวนี้ ต่อมาก็คือลักษณะของความคิดเนี่ยอันนี้จะเกิดอาุัสรึมาสามอย่างการกระทําของกายเกิดอากัสรึมาสามอย่างรวมแล้วเป็นอากัสรกรรมบท10อย่างสิบเรื่องเมื่อเกิดในความคิดทั้งหมดนะจิตนีมันใหญ่ธรรมะกบอกมีทั้งหมด8ป0หมืพระธรรมขันธ์มันก็เป็นของจิตซะส0 0 0มกว่า42่หมนสองเนี่ยนะ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของกายวาจามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถเห็นจุดอ่อนของมันได้เมื่อเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดแข็งการเคลื่อนไหวของกายเป็นตัวแก้เวลาเผลอคิดไปหลงไปอันนั้นเป็นนักของนิสัยกับนิสัยนะที่เคยชินคุ้นชินอะไรมาเป็นจริต โมหจโะจริตโลพระจริตโทสะจริตความโลภความกดความหลงตรงนั้นแต่เวลาปฏิบัติเราไม่ต้องมาแยกแยะนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเราดูสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่กเกิดขึ้นเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปถ้าสภาวะผู้ดูนะเกิดขึ้นเราจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากกิเลสนี่แหละเหมือนกับชาวไร่ชาวสวน มักจะมองว่าว่าจะพืชนะหญาคามันเป็นพืชที่ไม่มีประโยชน์นะอย่างแถวระยองเวลาก็จะปลูกง้ะปลูกทูเรียนเยนะปลูกผลไม้ก็ไถเรียบเลยนะไถเรียบแล้วก็ฉีดด้วยกา ม, มอกโซนปลูกยางพารานะอัดแหลกเลยกา ม, มอกโซนผมรวลาา น, นเคยฉีดสมัยก่อนนะกำ ม, มอกโซน ตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมปิดเทอมในะช่วงนี้แหละพ่อก็พาไปฉีดยาฆ่ายาวันหยุดอาประโยชน์จากเราผสมยาให้ให้เราก็สะพายวข้างหลังมีอยู่แปลงหนึ่งมีอยู่ประมาณ15อะไรก็ฉีดเป็นคนเดียวนะนะขันแวกแวกแวกแวกแล้วก็ปล่อยชีดมีสเปรย์หัวไหลหัวอยู่ ปรากฏว่าเราก็ไม่เคยฉีดนะนะปรากฏว่าทั้งหญ้าทั้งยางอ่ะตายเรียบเลยโยมยางก็ตายหญ้าก็ตายสิบห้าไร่ต้องปลูกใหม่ทั้งหมดอนะ่ะไม่รู้เรื่องจริงๆอะก็ไม่รู้อ่ะกันึกว่าเหญ้ากับยามันมันจะตายคู่กันนะนะก็บอกว่ายาฆ่าย า, าแต่ยังไม่ฆ่าต้นยางไงนะโยมกระฉีดมันแหกเลยเออสามวันต่อมา เหลืองหมดเลยทั้งอย่างทั้งยาพ่อก็บอกให้หาเอ้ยก็ด่าไม่รู้เรื่องเลยมึงเนี่ยว่าถูกด่าตอนหลังเราเห็นนะที่เนี่ยวัดป่าสโกโตเนี่ยมีอยู่เพียงหน้าแรงแรงจัดมากเลยปีนั้ น, น, นเนี่ยไฟมันเข้าไปสองร้อยปะไรเรียบไฟเผาเรียบเลยทางที่ตะวันตกเนี่ยเราก็ถ่ายที่ปลูก ต้นไม้กันปลูกต้นยางปลูกต้นตะเคียนปลูกต้นปาโด้หลายสิ่งหลายอย่างโปู ก, กันนะปีนั้นสังเกตว่าหญาคาลกมากลกจริงๆก็โปู ก, กันนะ่ะเกนพวกนักเรียนนักศึกษาโปู ก, กันน้ำฝนตกอยู่วันเดียวตกหนักอยู่วันเดียวปีนั้นนะทั้งพรรษาทั้งปีนะ ประมาณหนึ่งปีผ่านไปนไอ้แปลงนี้ก็ขึ้นงอกงามนะแปลงข้างๆนะแปลงโนนก็งามอีกแปลงด้านหลังคนละยองมาปลูกกันก็งามแปลงนั้นแต่ไอ้แปลงที่ปลูกตอนฝนแรงเนะี่ยปาก็ทาไม่เห็นยอดเลยยกคาท่วมหลวงพ่อมเขียนก็เลยปีต่อมาให้รถไถที่ทามาไฟนะ่มาไถ ก็บอกว่าไปไถตั้งแปลงที่ตอนตกกันนะรถไถก็ขับเข้าไปตุ๊ตุๆๆๆ๊ตล๊ ว, ออล ว, าาลนวุนตุน๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุงตุ๊ตุ๊ตุาตไ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุหตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊อุ๊ตุ๊ตุ๊ตห๊ตุ๊ตุลตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุัตนเลยครับตุยขับตถไปดูกัน บันนั้นนะอาตมาบอกว่าความสูงอาตมานะผมาอาตมาอยากไหว้ต้นไม้อยากกราบต้นยางอยากกราบต้นตะเคียนมีความอดทนสูงเหลือเกินไม่ตายปรากฏว่ามันขึ้นไปคู่กับยาคาเลยยักษคานี่ให้ความชื้นป้องกันลมเงาช่วยกันเราบอกกันเป็นวัชพืชเป็นของไม่ดีแต่มันช่วยให้ต้นไม้นะอยู่ได้ ค่อยๆขึ้นอยู่ด้วยกันน่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกตัวสังเกตไอ้ความคิดที่เป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่ความรู้สึกที่ฐานกาย แ, แสดงออกมานีมันบอกถึงให้สติปัญญาเจริญองอกงามเป็นปริศนาธรรมนี่เดียวปรากฏว่าพอต้นไม้โตขึ้นมายากักษ์าค่อยๆตายไปเองเพอความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น น, นะให้เวลากับมันนิดหนึ่ง แม่ๆมันจะเหี่ยวจะเฉามันจะไม่รอดยกมือก็ไม่ขึ้นนั่งก็งวงเงเหงานอนเจ็บปวดเมื่อยเนื้อม่อยตัวบางทีก็มีความเบื่อความเซ็งเกิดขึ้นมาของดีสติมจะงอกงามดีเดียวแสกแสกแสใช้เวลาตัวเองดีวันดีคืนขึ้นมายาค้าค่อยๆหายไปเองหรือว่าบางทีสังเกตอย่างแปลงข้างๆตอนนี้นะ บ้านก้างๆเขาเขาสร้างกระถอบกระทอมไว้สองหลังเสร็จแล้วเขาไถาที่เผาย้าเผาป่าขุดคลองขุดคูขุดสระอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไปดูย่าคาขึ้นมาแล้วต้นไม้ใหญ่หายไปย่าคาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเตียนเมื่อไหร่นะอยู่ๆถ้าเราไถาแบบแหมไม่เอาอะไรเลยความคิดก็ไม่สนใจ ให้มันว่างไปเลยเดี๋ยวกิเลสเกิดใหม่เวลาไปเจออารมณ์อะนะเจอเขานินทากิเลสเกิดใหม่ความโกรธเกิดมาใหม่อันนั้นเป็นลนักษณะของส ม, มาถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยกันเลยเรียนรู้ไปเลยยักคาเกิดขึ้นมาถ้ายาคาจะตายนะทำไมต้องมายุ่งอะไรกับมนะันเดี๋ยวสาบเสือขึ้นมาพอสาบเสือเกิดขึ้นมารู้จักไหมต้นอีเมนนะต้นสาบเสือปัญญา เวลามีบาดมีแผละนะเอาผสมกับน้ำลายนละผสมกับน้ น, นะบีบบ บ, บแล้วก็อาวุดแผลแสบแสบกันบาทยักษได้แทนพวกทิ้งเจอยาแดงพวกนี้ยาเหลืองสาบเสือเกิดขึ้นมายะขาค่อยๆบางลงไปหลังจากนั้นก็จะมีต้นกล้วยเกิดขึ้นมามีสาบเสือมีมิ้มมีสัตว์เข้ามามีนกกข้ามาห า, มาแมลง มันก็เอาเม็ดกล้วยป่ามาปลูกให้พอต้นกล้วยโปะขึ้นมาก็มีความชุ่มชื้นมันก็จะมีต้นไผ่ต้นอะไรเกิดขึ้นมาต้นไผ่เกยดมาเดี๋ยวก็มีม ต, ตะเคียนมะค่านะเกิดขึ้นมาถ้าสุดยาคาหายไปไหนไม่รู้อันนี้นเป็นกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นมา ในรูปรอยของความคิดทั้งหมดนะเราก็ผ่านไปบางทีก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นมาเคยทำไม่เดียวไว้มันก็แสดงออกมาบางที่มีจิตสำนึกที่ดีแสดงออกมาเป็นร่องรอยเก่าๆในอดีต น, นะตรงนี้องค์สมเดชสัมมาเจ้าอ้างไว้ว่าตะเมโสปุเพกะตาเหตุสุขทุกขังนิคตจิโปวารนกังกตังปาปังตะเมมนจเจีนังขณะนี้นะเดี๋ยวนี้นะ ไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าทุกข์มันแสดงออกมาในรูปรอยของอารมณ์นะสุขหรือทุกข์เนื่องจากสาเหตุในการเก่าที่เราเคยทําบุญหรือว่าบาปมาแล้วก็ตามตอนนี้นกาลังส่งผลเป็นวิบากกันนีตรงนี้ให้มันแสดงออกมาประดุดว่าเรากําลังใช้นี่ชนิดนี่กรรมนี่กรรม เพราะนั้นคนที่เคยทุกข์เพราะลูกเพราะสามีนะเพราะสุขภาพการเงินการทองสังคมเศรษฐกิจการเมืองภูมิชาติกําหนดต่างๆสกุลสถุนพวกนี้มันจ ะ, สะแสดงออกมาเลยกิริยามารยาต่างๆในขณะที่เวลฏิบัธรรมมันจะนั่งนิ่งๆไม่ได้นะมันจะผุดลุกผุดนั่งมันจะสาราพัดนะทาอะไรตามใจโดยเองขุนหันพนลันแล่นร้อน ล, อ น, ลอนเวลาปฏิบัติธรรมกี่เหยมันร้อนนะเพราะขันติมันกําลัง เผาอยู่ตา บ, บะมันกำลังเกิดขึ้นมาไฟขันติไฟตา บ, บะถึงเป็นการอบลมตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมมันอบร้อนหน่อยมันงามก็ต้องลมควันกันหน่อยสำรักสำรักสุขสำรักทุกข์นะเพราะนั้นรูปลอยความคิดจะแสดงออกมาให้เราได้เห็นตัวเองนะเป็นจิตสำนึกที่ระลึกบุญที่ระลึกบาป นึกบนสํานึกบาบสารพัดมันแสดงออกไหมเราก็ผ่านมาทั้งหมดกลับมาที่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันจะเดินทางเดินทา ง, เ, ทางเป็นปัจจุบันขณะแต่ละก้าวแต่ละขณะแต่ละวินาทีรู้สึกรู้สึกรู้สึกจะเดินทางคืนความเป็นปกติให้กับจิตใจของเราคืนสู่ธรรมชาติเดิมๆที่มันมีอยู่ในชีวิตทุกๆชีวิตเป็นธรรมชาติที่จิตมันประพัดสอนป่องใสอยู่ จิตเป็นปกติมีความสมดุลมีความเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะมีภาวะผู้ดูจากลืมตาเลี่ยงๆก็ดูน้อยๆจนกระทั่งมันลืมตากว้างขึ้นสติปัญญามันว่องไวเป็นไวพิปฏิพันยมันจะเห็นรายละเอียดลึกลงลึกลงลึกลงลกลงิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างละเอียดกิเลสก็หมายถึงความโลภความกดความหลงตัวนั้นมานาทิฏฐิหรือว่า ลักษณะของกาอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานี่วัฒนธรรมต่างๆความวาเงาเหงานอนอะไนั่นคือตัวกิเลสทั้งนั้นเลยถ้าหลงเข้าไปเผลอเข้าไปไม่รู้สึกตัวเราก็รู้เท่ารู้ทันกันเป็นปัจจุบันขณะเหมือนกันเราพยายามสร้างกรรมฐานเกินไหวรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกตรงนี้เราดํำริขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเรามีความเพียร แต่ว่าสิ่งที่มันซ้อนซ้อนขึ้นมาอารมณ์ต่างๆบางทีรูปก็มากระทบทางตาบางทีก็เดินขึ้นเดินลงอะไรก็ตามะบางทีก็เดินผ่านไปผ่านมาบางทีก็สัตว์สาราสิ่งเราไปเดี๋ยวทำอยู่ดีๆที่ตะขาบก็วิ่งขึ้นมาอย่างเมื่อคืนเงี้ยนะเปิดไฟไว้มีแมลงตะขาบ่็วิ่งขึ้นมาเงี้ยบางคนก็ไม่ทันได้รู้สึกตัวเห็นแล้วก็กลัวก็ได้เงี้ยมันไวมากเลยนะเห็นปั๊บอู้หูตะขาบตะขาบตะขาบครับ กลไปลืมเนื้อลืมตัวไปเลยงนะั้นเนี่ยอันนี้ก็เหตุสังเกตไว้ด้วยบางทีก็มีลมพัดนะบางทีก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบะเกิดขึ้นมะาบางทีก็มีนฝะนตกแดดออกนะบางทีก็มนะีอีกมากมายเลือกินรูปรถสงสียิ่งเสีย ง, งต่างที่มันซ้อนซ่อนมาให้เราได้เผลอนะถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นสักวันเห็นนะได้ยินสักวันได้ยินนะตรงเนี้ยเราจะสะดุดใจทันทีเลยนะเราจะเอจใจทันทีนะเลยอา้า ไอ้ที่มันทุกข์มันทุกข์ก็เพราะเราหลุดไปแล้วหลงเผลอไปเราไม่ได้สํารวมเราไม่ได้เรามาระวังเพราะฉะนั้นเวลาจเจริญสติฝึกส ต, กสติปฏิบัติธรรมเราต้องมีการสํารวมไม่ดูได้ก็ไปดูเลยนะจับความรู้สึกตัวให้ตั้งมั่นให้ได้เป็นสมาธิให้ได้ให้มันตั้งมั่นแน่วแ น, แน่หนึ่งเดียวอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคือเคลื่อนไหวรู้สึกนะให้รู้จักคําว่าสมาธิสัมมาสมาธิซะก่อน ถ้ารู้จักแล้วมันหายสงสัยนะพมันหายสงสัยปับมันปลีกวิเวกทันทีสังเกตได้มันก็คนกําลังซุ่มซุ่มหางินหาทองมันจะไม่แบกกระเป๋าให้ใครดูเลยเพราะทาแบรกระเป๋าให้คนอื่นดูเดี๋ยวเรียบร้อย <c oughs> มีแต่คนนับญาติรวยก็เรียกว่าพี่ไม่มีก็ไม่รู้จักนับญาติกันเพราะนั้นเวลาเรามีความรู้สึกตัวเยจะเพิ่งไป แสดงออกสํารวมสำรวมไว้ก่อนพอแสดงออกปั๊บหมดเนื้อหมดตัวเลยแต่ว่าการพูดการคุยนะั้นเป็นของแสลงเลยของนักกรรมฐานไม่พูดมันก็เท่ากับเราสํารวมไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังตาหูจมูกล่นกายใจสารวมไว้ก่อนหรืออย่างเดียวเคลื่อนไหวรู้สึกตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจของเรามันจะมีความสุขมันจะเดินและมีความสุ ข, เ, สขเกิดปิติ เพราะฉะนั้นคนที่นจิตใจเป็นปกติมันจะมีกําลังของศีลเกิดขึ้นมาศีลมีอนนี้สองนาสุขมาให้เพราะนั้นเดินจงกรมอย่างมีความสุขเคลื่อนไหวยังมีความสุขเนะี่ยตรงนี้แหละมันจะทําให้อยู่คนเดียวเหมือนกับไ่ทํางานทําการโถ่ก็มาเจอความสุขตกแหล่งสุขเข้าไปหน้าตาอะไรมันซาบซ่านปิติเกิดแล้วมันจะรู้สึกเออไม่วุ่นวายดีเนะย โอ้มันก็รู้สึ ก, กผ่อนคลายตาก็รู้สึ ก, กผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายศีลเกิดขึ้นมาความเป็นปกติว่ามันอยู่กับตัวเองได้อย่างมีเรียกว่าความสุขมหาศาลเลยนะเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราไม่ติดสุขแต่ก่อนอื่นก่อนจะไม่ติดสุขเนี่ยมันติดก่อนยังไงมันก็ต้องติดเพราะว่ามันเคยติดสุขจากการได้เงินได้ทองหาอยู่หากิน วัตถุกรรมาคุณนะตอนนี้มันอยู่กับตัวเองใช้กายเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาปิติมันเกิดจากข้างในความสุขเกิดจากข้างในเพราะแน่นอนที่สุดเราปฏิบัติธรรมสี่สิบนาทีออกกำลังกายสี่สิบนาที45ห้านาทีระหว่างใจิตใจของเราเนี่ยมันนิ่งเสร็จแล้วมันมีสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาสารสุขในตัวมอร์ฟีนที่อยู่ในตัวเราตรงเนี้ยมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตนะ ปกติมีวัตถุหนึ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามัสกิดมาแล้วมันก็ซาบซาดออกมาแต่ตอนนี้มันไม่ต้องมันเห็นอยู่ข้างในถ้าเราสามารถเข้าออกจะเป็นว่าสีเข้าออกจะเป็นว่าสีคือจานานเนะ่ยเราเห็นเน่ยความสุขอยู่ในตัวไม่ได้เกี่ยวกข้างนอกเลยนะมันมีจริงจิงอยู่ข้างในตรงนี้มเป็นสุขที่มเกิดจากการปฏิบัติธรรมะมันเป็นอุปสงค์ขการที่เรามีศีลมีความเป็นปกตินะ มันไม่ได้วันไหวกับอะไรเลยมีมากบางให้อันนี้ส่งมากมีน้อยให้ส่งน้อยเป็นบาดฐานของสมาธิเกิดการตั้งมั่นที่ไหนมีสุขที่นั่นมีสมาธิให้สังเกตนะสุขจากการคุยกันก็มีสมาธิการคุยกันตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็เรียดขากันเดี๋ยวมันกระโดดข้าวกันถ้าคุณต้องการแก้ความสุขเท่านั้รักสุขเกียรติทุกบางคนเคยทําอะไรที่มันขาดก็มีความสุข ก็มีอยู่แค่นั้นแต่การ น, นี้ถ้าบังเอิญว่าเราเคลื่อนไหวจกนกระทั่งเจอความสุขละ่ะจะว่ายังไงการ น, นี้เราเดินไปไหนมาไหนมนัรู้นั่ ร, ร, รู้ตัวงก็มีความสุขได้หมดนะการเคลื่อนกันกไหวจากในรูปแบบเอาไปนอกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นศีลมันมีในสูงคือทําให้เราไม่เดือดเนื้อร้อนใจเกิดอวิปฏิสารขึ้นมาเกิดความปราโมทยใจขึ้นมารื่นเริงจะทําอะไรก็รื่นเริง รู้จักเลยวางจิตวางใจอย่างนี้นรื่นเริงจะไปไหก็ได้เป็นกรรมฐานได้หมดขนนับรถเป็นกรรมฐานก็ได้ไปตลาดซื้อของเป็นกรรมฐานก็ได้จะทํางานทําการอะไรที่เราไม่เคยรู้จักก็เป็นการเรียนรู้เป็นกรรมฐานก็ได้หรือว่าเราจะเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นกรรมฐานก็ได้เนี่ยมันจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปเกิดปิตินะ เกิดความสงบระงับเรี่ยวปสัสสธิขึ้นมาเป็นอั น, นิีสงสอของศีลทั้งหมดเลยเกิดความสุขเกิดลณนะของการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมีความสุขแบบโลกโลกตอนนี้มีความสุขแบบสมัญนสารรูปมันเป็นความสุขที่เราเป็นนักบวชทํำยังไงอยู่ในกรอบของสินสองรี่สิข้อหรือ ว, ว่ากี่ข้ออย่างไรศีนห้าสินแปดสิพวก น, 8, น, นี้มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาไม่หมือกัขัดแยง้ง นะเช่นบางทีเมื่อวา น, เ, นเราได้รับประทานอาหารใช่ไหมอย่างเดินมา เ, นเห็นมีกล่องอาหารอยู่ตัวนี้ไม่รู้ว่าใครกินเมื่อเมื่อวานมันไม่ีแต่ตอนนี้มันมีอยู่สองกล่องนะที่นี้เราก็ใช้ศินแปดกันรับศินแปดกันไม่ให้มันก็ว่าเป็นภาระเกิดความยุ่งยากในการต้องหุงหาอาหารแล้วก็อีกอย่างก็คือรับประทานอาหารตอนเย็นเย็ น, ยนมืดๆ เ, เ, เราจะนอนแล้วมันจะเป็นพลังงานส่วนเกิน ที่ทําให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่เบาเนืไม่เบาตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในศีลมันก็ทำให้เกิดความเป็นปกติของชุมชนเกิดมาตรฐานของชุมชนขึ้นมาเป็นชุมชนที่เรามุ่งเดินทางคล้ายๆกับพึ่งัาถุนหนึ่งสองสามน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าจะได้มาก็ได้มาเป็นลาบเป็นโชค ไม่ได้เป็นความโลภขนไกวเราได้เห็นเออมันเกิดขึ้นกับผู้ที่จิตใจเป็นปกติปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็ถูกต้องต่อเนื่องมันจะมีผลการเคลื่อนกันไหวตระหนัะนะเกิดศีลขึ้นไหมมันก็มีวัตถุ ร, รูปธรรมตรงเนี้ยที่ให้เป็นความสุขเป็นความทุกข์กับเราเราก็เลือกเว้นเกี่ยวข้องเขาอย่างถูกต้องมันก็เป็นความสุข ใช้กายนั่งเดินยือนนอนอย่ามีความสุขใช้ลมหายใจเข้าออกอยังมีความสุขเป็นปกติสุขจิตใจของเราก็ไม่อยู่กับความคิดเนี่ยถ้าจะคิดก็เป็นตัวปัญญานะมันก็เป็นความผาสุกตรงไหนเป็นปัญหาก็เปลี่ยนผ่านทะลุออกมาได้เกิดการเบื่อหน่ายขายจางะการใช้ชีวิตของเรานะี่เป็นอันนี้สององค์สนหนึ่งนะทาให้เบื่อหน่ายเมื่อตอนต้องปกตินะ ต้องทําอะไรหลายๆอย่างตามนิสัยตามความเคยชินกินกาแฟแล้วก็หายสัน่นหายหายง่วงอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังไม่ต้องกินกาแฟมันมันหายง่วงมันหายมือไม้สัน่นเพราะว่ามันคืนสู่ความเป็นปกติต้องอิงวัตถุนถึงสองสามอย่างเนี้ยนะเราก็จะได้เห็นวลาคะแล้วก็กลายเป็นการไม่ให้ราคาพอมันอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความปกติสู่ขึ้นมา ม, มันก็มาแด่ให้ราคาค่ะว่าถุกอื่นสิ่งอื่นมากมายตรงนี้แหละทําให้ไม่เกิดภาละขึ้นใหม่ไม่เกิดภาละถ้าจะทําก็เป็นการเอื้อเฟือ้อเป็นการเผื่อแผ่เป็นการแบ่งปันให้แรงกายแรงใจกําลังทรัพย์ตพรผู้อื่นะก็ยังคล้ายๆกับว่าเป็นทุกอยู่อะไรเงี้ยตรงนี้แหละมันเป็นหลักของศาสนาพุ ท, ที่เราละชัว่วทําดีแล้วก็ท้ายสุ่ก็เห็นแล้วว่าเออถ้าจะทําดี ก็ทำด้วยปัญญาอย่างไรนะแต่จะให้ก็ให้เพื่อที่เขาจะพึ่งตัวเองได้ต่อไปไม่ใช่ให้แล้วก็อ่อนแอให้แล้วก็ก้ายท้ายกลายเป็นผู้ที่พึ่งตัวเองไม่ได้ถ่าวับฆ่ากันทางอ้อมอย่างนี้นะเราก็เลยมีการปิดติดปิดทองหลังพรนะกลายเป็นเรื่องการช่วยเหลือด้วยสติด้วยปัญญาต่อไปนะแล้วก็เลยเป็นคนคนเดียวกัน ก็คือมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเน่แหละเป็นคู่ของเราตอนนี้ขณะที่ฝึกหัดจะะระิติปฐานแนวเคลื่อนไหวที่วัดปลาสุขโตใช้กายของเราการเคลื่อนการไหวของกายเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนแท้แล้วก็ท้ายสุดกขจะตายไปกับเราเมื่อวันตอนเช้านั่งฉันอยู่กับหลวงพ่อทำเขียนหลังฉันเสร็จท่านกระปาลบว่ามีนักบุญอยู่คนนึง เขาสร้างพระสร้างศาสนสถานศา ส, น, สนวัตถุนะคิดจะสร้างพระอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยแต่ว่าเออคณะส่งแม่อุญาตแม่อุญาตไม่อนุมัตินะก็เลยไม่ได้สร้างที่วัดป่าสุกโตพระทันใจนะกับว่าจะสร้างกันคุณเทียนทองอยู่ที่ภูเขียวเขาขับรถไปตะเวนไปตะเวนไปปรากฏว่ารถนะมันชนกัน ตอนนี้ก็ขาหักแล้วก็ไหลหักต้องนอนอยู่กับบ้านไปไหนก็ไปได้อันนี้คนหนึ่งโอ้ต้ไปเยี่ยมก็ เ, เคยเป็นนักบุญมา ก, ก่อนไม่รู้ว่าได้ใช้สติใช้ปัญญามากน้อยแค่ไหนกับการเห็นความเจ็บความปวดน่าไปเยี่ยมนะอีกคนหนึงรู้จักไหมคุณอูด๊ดคุณอูด๊ด เ, เดินทำไม่ได้ตายอยู่หลวงพ่อไปเยี่ยมก็ล่อแล่เต็มที เป็นข้าบาดีอยู่ที่ชายภูมินะน่านไปเยี่ยมเขาหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อเขาบอกว่าเออคุณอูดคุณอูดเป็นคนที่ทําดีเป็นคนที่เข้มแข็งนะนะตอนนี้คุณอูดก็สบายนะคําว่าสบายก็คือในใจมีแต่ความดนะีพึ่งความดีอยู่นะคุณอูดนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะจริงๆเป็นมะเร็งมันเจ็บมันปวดนะ คนไก้ตายเนี่ยว่าเจ็บปวดขนาดพกรรมฐานที่เอาไม่อยู่นะมันเจ็บปวดมากในช่องท้องไงความเจ็บความปวดมันดันปูดไปปูดมาเลยนะเจ็บตรงไหนมันดันโนนเลยตรงนั้นเลยก็บิดไปตามอาการเวทนาทุกเวทนาที่มันสั่งถ้าไม่มีสติมันจะเป็นยังไงล่ะทีน่ะเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจ็บมันปวดนะว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันการฝึกหัดกัน พอมันเจ็บปวดมากๆแล้วก็เออไม่เป็นไรเปลี่ยนให้ก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญานะไม่เอาเป็นความอ่อนแอปลอบบางอนะินสีลูกคุณหนูตรงนี้นนะนะเราก็เลยได้ประโยชน์จากอาการเหล่านี้ขณะปฏิบัติธรรมกันมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอาการหลายๆอย่างมันแสดงออกมาเป็นอาการของกายของจิตนี่แหละคือกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้สึกตัวเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราหลงไปในกาเหล่านั้นเราก็ทุกข์ เราก็ฝึกขัดกันได้ว่าทุกในจิตในใจเกิดจากความคิดคิดแล้วโกรธคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกังวลคิดล้ยาลิษยาคิดแล้วมายาสาไถเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาทิฏฐินี้เกิดจากความคิดเห็นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหลังของความทุกข์อยู่ที่ความคิดสมมติฐานของการหลงไปในความคิดก็คือไม่รู้สึกตัว <c oughs> การที่เราไม่รู้สึกตัวเพราเคยได้ยินได้ฟังไม่เคยฝึกหัด เพราะไม่เคยเคลื่อนไหวรู้สึกกระทบสัมผัสเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวยกมือ14บสี่ังก็รู้สึกตัวแล้วก็จึงมารับรู้รับทราบแล้วก็ฝึกหัดกัน1วัน2วัน3วันดูหลายๆวันแล้วก็ฝึกจนถึงมันออกไปนอกรูปแบบนอกสถานที่นอกเครื่องแบบนอกชุดนอกเวลาเวลาไหนๆก็คือรู้สึกตัว อ่นนานะก็เห็นว่าสมควรแก่เราก็ขอยุติการพูดธรรมะไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านก็จงตั้งใจไรรมกันแล้วขอให้ธรรมะสมควรแก่การวัดก็มาให้เราได้รู้ได้เห็นสมควรแก่การปฏิบัติสมควรแก่สติแก่ปัญญาจนทั้งเดินทางผ่านทุกไปผ่านทุกไปจนเจอความสุขเกษมสาร แด้เพราะความเป็นปกติของจิตนะโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ